ขังทาต่ออีกเพื่อย่อมเตือนกันในการงานเพื่อให้บัดห้องตัวอาใสการบอกการเล่าการที่แผนที่ให้ดูให้เห็นแล้วออกไปทำทำว่มามันเป็นกรรมฐ า, าน เป็นงานกระทาไม่ใช่งานความคิดไม่ใช่หาความคิดใช่สมองแยกยเหมือนข้อใาสอดเอ็นชาวนาอาชีพทำนาก็าทำให้เป็นหูข้าวอย่างไร จับต้นจับมัดก้าอย่างไงเวลาเอาต้นก็ออกทีอย่างไรให้ได้ทีแล้วสองต้นสองต้นถ้ามันปนต้นยญ้ามาอี ก, กจะ ท, าทําังไงรู้จากไหมต้นหญ้าต้นข้าวต่างกันไหมถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นก็ไม่รู้ผิดผิดถูกถูกปลูกข้ากไ็ได้ปลูกยญ้าไปก็มี เอาลงลึกลงตื้นลงลึกเกินไปก็ไม่ขึ้นตื้ น, นเกินไปก็ถอนทำให้เป็นทำาไรก็ทำให้เป็นจิล ป, ปะกรรมหัตกรรม เ, รเศษตรกรรมไม่ต่อการทำงานทำการนั้นอื่ น, นต้องรู้เพราะเคยหัดมา อย่างเรานั่งอยู่ที่นี่มันไม่บอกการกระทำอย่างไงมีอาชีพอย่างไงชํานาญเรื่องใดถ้าท่านทีได้ทํามาแล้วท่านเป็นหมอพอทํางานคนป่วยก็ <c oughs> ไปได้เลยแต่เราไม่ฝึกหัดเรื่องนี้ก็ทําไม่เป็นกรรมฐานทําไม่เป็น เวลามันหลงเปลี่ยนไม่หลงให้รู้ให้เป็นเ <Okay. S 1> ว่ามันโต้แค่รู้ให้เป็นเวลามันโกรธให้รู้ให้เป็นมันทําให้เป็น <Okay. S 1> เมื่อบรนเป็นแล้วมันต้องหัด่ <Okay. S 1> หลงเพื่อรู้ <Okay. S 1> ต่อไปคนหลงอาจจะครั้งสุดท้ายได้หลงโกรธที่ได้รู้ทุกทีมีสติ ต่ไปความโกรธก่านจะเป็นขั้งสุดท้ายได้ความทุกข์มันทุกข์ทีใดรู้ทุกทีกลับมามีสติความทุกข์อาจจะเป็นขั้งสุดท้ายได้มันจบเป็นมันเป็นไม่ใช่มันรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่สมองมันเป็นสัมผัสการสัมผัสสำคัญมาก เอาใจสมผัสกับสติเอาใจสมผัสกับสติสติเป็นยังไงต้อมหลงเป็นยังไงต่างากันไหม <c oughs> อะไรมันถูกต้องอะไรเป็นธรรมสิตทีของเราคนที่เป็นยังไงไม่ใช่เราเอาแต่พือพ่อแต่เพื่อบ้าหอบฟงังเลือก ชีวิตเนี่ยมันเลือกได้เรียกว่าวาชนาะบุญวาสนาะเลือกความดีพูดดีคิดดีเรียกว่ามีบุญวาสนาะมันลิขิตได้มันจำแนกได้กรรมจำแนกสัตว์ได้ศักดิ์สิทธิ์มนุษย์เราเป็นไปตามกรรมเจ้านาผูกข้าวก็ได้ข้าว ไม่ใช่คิดเอาต้องทำลงไปผูผู้สติก็ได้สตินั่นเป็นกรรมแต่ละยน า, า, า, านังว่ป้าปการังวางที่เราสว ด, ดวบุคคลหวานพืชเช่นใ ด, ดย่ยอมได้รับผลเช่นนั้น <c oughs> โอ้ทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดี รู้ธรมความชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วนี่คือชีวิตของเราจึงมีวุฒิวาสนาเลือกได้ตั้งแต่นมนมน้อยๆจะได้มีวาสนาไปยาวนานอาศยัยได้มีความดีก็พึ่งดีได้เอัตถิอัตโนราโถพึ่งได้ถ้ามีความชั่วก็พึ่งไม่ได้ แต่ไม่มีวัฒนะนบุญก็ไม่ได้จัดรักษาบุญแถวบอบบุญเดินทำได้แต่รักษาไม่ค่อยได้ศีกลก็รักษาอขอได้แต่รักษาไม่ค่อยได้สําคัญอยู่ที่รักษารักษาเนี่ยสำคัญที่สุด แล้วก็การกระทาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีหนึ่งด้จากหาู้จักสร้างให้มีสองด้จากรักษาสามด้จักใช่สี่มีมิตรมีเพื่อนที่ดีสิ่งแวดลรมดีเรียกว่า อ, อากาศะ หัวใจเศรษฐีอะไรก็อยู่ในเกณฑ์นี้ทฤษฎีนี่สำเร็จก็ไม่มีทฤษฎีสีข้อนี่ไม่ทำไม่สำเร็จ <c oughs> เรียกว่าออกาสะหัวใจเศรษฐี <c oughs> เป็นข้อปฏิบัติ <c oughs> ไม่ใช่คิดเอาํ <c oughs> ำลองไปอ๋อ <c oughs> มีแล้วรู้จักรักษาไว้ เขาจับใช้ใช้อะไรใช่ตาใช้หูใช้จมกูกลิ้นกายใจอย่างไรใช่ให้เป็นถ้าใช่ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าใช่ถูกก็เป็นประโยชน์เดือดร้อนถ้าใช่ผิดก็มีคุกมีตารางมีตัวบทกฎหมมีรัฐธรรมนูญมีมสตาวุฒมีของทัพ ไม่ตำรวจทหารไม่แต่งานบุญที่มีอยู่ทั่วไปก็ต้องมีตารวจมารักษาเป็นสองหลงพักสามหลงพักบุญอลไรเป็นอย่างนั่นน่ะถ้าเรากถ้าเรามีบุญจริงๆก็ไม่ต้องมีใครมารักษาบุญมารักษา กุศมันรักษาทำรักษาพระธรรมย่อมรักษาผู้พืชต่ำอยู่เป็นนิดธรรมย่อมรักษาผู้พืชต่ำไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วเราได้อันนี้สงหมายปฏิบัติธรรมัรักษาเราอย่างไงไม่ใช่อ้อนอนเวลามันหลงเราไม่หลงเคารพพระธรรมอย่าไปเคารพความหลง ไปพอใจในความหลงมุง่นคุณคิดในความหลงให้เคารพพระธรรมกมไม่หลงว่าเอาไว้เลือกเป็นเลือกได้ชีวิตมันเลือกได้นะเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้ว แล้วเป็นอยู่ด้วยจะจะเป็นไปด้วยหนังอันเท่าไหร่ไม่จบไม่ชิ่นทมยังมีอยู่มีอยู่เช่นนั้นนี่อยู่ในชีวิตเรานี่ไม่ต้องจนเวลามันหลงไม่ต้องจนใลความหลงออกมารู้สึกตัวเนี่ยให้หัยจากนี้เรียกว่ากรรมลิชิตไป เป็นทางตปสะดวกทางนี่สะดวกเป็นอริยมรรคคือดูเห็นตายเห็นท า, เนทางเห็นที่ถิ่นทางดำเนินไปอย่างถูกต้องผู้ถูกทำถูกคิดถูกการงานชอบตั้งใจชอบตั้งสติชอบมีฝึกได้แล้วมีสมาธิชอบถึงมรรคถึงผลรวมสาเร็จได้ ก้าแรกก็คือเปลี่ยนหลงเป็นลูกก้าไปข้ามไปทุกที่ใดเปลี่ยนเป็นลูกข้ามไปก่อนจะได้ผ่านเหมือนกับเราเดินทางผ่านบ้านนั้นเมืองนี้นั้นก็บอกทางมันบอกทําอะไรมาสาเร็จมันบอกเอาความหลงไว้หลังความโกรธความทุกข์ไว้หลัง ถ้าออกไปเรื่อยๆเรือ่องยากความง่ายไว้หลังความผิดความถูกไว้หลังมีแต่รูปใบพาให้ไปายให้หลุดให้พ้นรูให้เห็นรูเห็นรูเห็นภาวะที่ดูที่เห็นภวะที่ดูที่เห็นเห็นแล้วไม่เป็นทางมาน้ำไปทำผัา ด, ดูมันถูกเหมันเราเดินทางในป่าในพง ดางพอหลวมเท่าแข่งเท่าไปเ้าเหมือนบอกหมคนตาบอดเอาไหมเกี่ยวไปข้างหน้าก็รู้จักทางไปทางนี้สัมผัสการชีวิตเราก็สัมผัสอะไมีสติรู้ดูแล้วเห็นเน็แล้วไม่เป็นมันสมบัติมัสะดวกถ้าเป็นแล้วไม่ไม่สะดวกติดขัดเป็นศุข ก, ก็ติดเป็นทุกข์ก็ติด ใ จ, ใจเฉยจก็ติดถ้าผ่านได้ก็สะดวกจึงจะถึงมรรคผลนิพพานเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายและยังเก็บเป็นเจ็บอยู่ก็ได้ว่าไม่ไปไม่ได้ถ้าทุกข์เป็นทุกข์ก็ไปไม่ได้ถ้าตายเป็นตายก็ไปไม่ได้เห็นมิได้เห็น เห็นแจ้งทำให้ความแก็เป็นธรรมดาเห็นแจ้งไม่ใช่ปากพูดมหลอดมาจากหัวใจหัดไทยลึกๆทำมห์ความเจ็บไข้ธรรมดาจะลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ทำให้ความตายเป็นธรรมดาจะลวงพ้นความตายไปไม่ได้เห็นไม่เป็นอันนี้หรือว่าเทวทูต เรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆพ่อแม่บอกเวลาไปดูคนป่วยแม่จะบอกถ้าไม่รู้เทวดาทูตจะเป็นบาปถ้าเห็นเทวทูตเราจะไม่บาปไปดูคนเกิดก็ว่าจาติพิทุขาอันทัางอธิการระยา น, นางกลุมิใช่ไหม พ่อเปรีมพกมฮะม่นบอก้เท่าอ่อนโบราณเอ็นกอนเกิดกระชาติปิทุขาหันทะหังอธิกัรรยานังกะโลมิเอ็กอนแก่ฉลาติปิทุขาหานะหังอดิกัระยานังกะลมิเอ็นกอนเก็บพยาติปิทุขาหานทะอดิกัรรยานังกะโลมิ ยังก่อนตายมาน้ำปิทุกขังหันทางนี้ที่กันเลยฮะโรมีไม่มีเสียงอาเมกกรรมันของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรามกกรรมัน่ได้พึ่งอาศัยเราต้องรูบรับข น, น้ำของกรรมนานนี่คือ ภาษาที่คนวบราสนสอนลูกๆเต็ ก, ตกตงจะได้ไม่กระทบกระเทือนมันลื่นลื่นชีวิตจะลื่นลื่นเรียบเรียบไม่ใช่ดีใจเฉี่ยใจเดี๋ยวนี้เราอยู่ในฐานะแบบไหนเห็นคนอื่นพันภาคเจ้าของล็อกของชอบใจเป็นทุกข์หรือพันภาคเจ้าของล็อกของชอบใจไม่ต้องทุกข์ ไม่สบายกายความไม่สบายใจก็ไม่ต้องทุกข์ความคลาแค้นใจก็ไม่เป็นทุกข์ปัญาเฉียงใดไม่ได้เฉีงนั้นก็ไม่ต้องทุกข์ถ้าเอาเฉีงนั้นเป็นทุกข์ไว้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วทำอย่างไงจรึงจะออกจากความทุกข์นั้นได้ก็ามารู้แบบนี้แหละให้เห็นนี่แหละเห็นแล้วอย่าเข้าไปเป็นนี่หละ ทำเช่นไหนทำตามพุทธเจ้าโดยกันตามรอยพระบาทเห็นเห็นอะไรจึงรู้ว่าเห็นทุกสัมมาทิฏฐิเห็นทุกนัก่นหละดีแล้วถ้ามันทุกด็ดีจะได้เปลี่ยนมันมันก็เริ่มต้นมาจากความหลงเจอกันที่แรกต่อหน้าต่อตาก็มีสติก็เห็นความหลงนลี่แหละนั่นหละดี หลงไปทางไหนก็คือหลงหลงในต่อในหูจมูกเลี้ยกายใจอันหลงไปทางใจนี่ยาวนานมากเรียกว่าจิดใจธรรมสัก่าธรรมเนี่ยไม่ใช่สัตว์ปุคลัวตนโลเขาอันตาก็มีเวลาหูก็มีเวลาจมูกเลี้ย กายก็มีเวลาแต่ใจไม่ค่อยมีเวลาไม่เห็นอะไรก็มีเวทนาความคิ ด, คดงู่เฉยไม่มีอะไรเห็นก็ส้อมผัดได้เป็นสุขเทุกข์ความคิดคิดขึ้มานอนไม่หลับคิดขึ้มาน้ำตาไหลคิดขึ้มาร้ารลับคิดขึ้มารักเกียดจงังมีเหมัอกันแต่ถ้าหัด ตั้งแต่ดูกายไปไเรื่อยๆไปดูเวทนาเรื่อยไปดูกิจเรื่อยไปจะได้เห็นธรรมดูจิจเห็นดูกิจดูกิจเห็นคิดเห็นธรรมจะได้เห็นจะได้เปลี่ยนถ้าเห็นเราไม่ใช่เป็นอยู่ข้างหน้าเห็นแล้วเอาไว้ข้างหลังนี่เอาเห็นไว้ข้างหลังคือเห็นเราไม่เป็น แล้วก็พ้นเหมือนเราผ่านป่าเอามือแหวกไปถ้าแหวกไปได้ตัวไหนก็เดินไปแหวกอีกเดินไปแหวกอีกเดินไปนั่นเราผ่าป่าข้าวที่เราปลูกเอาไว้เวลาเข้าออกรวงเดินผ่าทุ่งบรรลุไปในทุ่งนาเหมือนเรานวดนวดข้าว เนืเข้าวเอาไม่ยาวข่มไว้ขึ้นไปทางเดียวกันด้วยจะเกี่ยวง่ายเาผ่านไปก็แล้วก็ผ่านไปคอยแบกไปข้ามันหนาถ้าแบกไม่เป็นเข้าวก็หักขาดหลน่นแบกไปก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเฉจไปเป็นแบงเป็นแบงแบง หลงไว้แล้วหลังเห็นมีกิริยาแบบนั้นจริงๆนะมันดีดีเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนะยิ่งมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยโอยสุดยอดเลยไม่เคยช่วยตัวเองเลยในเรื่องนี้ไม่เคยช่วยตัวเองเวลามันหลงไม่เคยช่วยให้ไม่หลงเวลามันทุกข์ไม่เคยช่วยให้มันไม่ทุกข์เวลามันโกรธไม่เคยช่วยให้ไม่โกรธ พอมาได้หลักหลงพ่อเทียนสอนเนี่ยโอ้ยคิดถิ่นพระเจ้านี่แหละพระเจ้าอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วหัว อ, องค์กคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้น้อยกระตือเหลือร่นอยากแค่มันทุกข์อยากแค่มันหลงอยากเิดแจ่งเท่าหาเชื่อหน่อยแหละบางทีล้าน้อดูความไปคิดดูสิมันจะทุกข์ไหมมันไม่ลงถ้ามันเห็นแล้วไม่ลง ไม่มีคา่าอะไรตอน่วนทุกข์ก็ไม่ีค่าโกรธก็ไม่ีค่าหลงก็ไม่ีค่าความลักความช้างความมากความความยากความไม้มีค่าแต่ว่ายากก็มีค่าแบบหนึ่งคขำง่ายก็มีค่าแบบหนึ่งรู้ก็มีค่าแบบหทุกข์ก็มีค่าแบบหนึ่งพอเห็นแล้วมันลื่นลื่นโอ้ยนี่ทางโอ้ยนี่ทาง พ่อแม่ก็ไม่เคยสอนเราไงเอาจริงๆเรามาสอนตัวเองมีแต่ครูอาจารย์บอกพระเจ้าบอกแต่ไม่เคยทําเหรียนจบดักทรมมาแต่ไม่เอามาทําต้องได้ติดปากบ่มาเห็นหลวงพ่อเทีนเนยนไงเอากางกระทำยกมือวงังเอามือวงังไว้เขารู้ซิให้รู้ว่าเสาเมืองเลยให้หนิงให้หนิง ดำอินอ <the M Brussels> <the> ินเน่งบ่อยๆ่ยเน่งรื่อยเน่งคือติงอาศัยใจก็ไม่ใช่ว่แบบเรานะไวนิงติงนิงอาศเรานาะติงนิงติงนิงายติงนิงติงนิง ตินิ่งต่อมาก็ไหวนิ่งไหวนิ่งภาษามาเลยนิ่งนิ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะไว้ยอยู่บางเลยไม่ไม่หวาถอาเหล่าฟองแม่น้ำของต่อมาก็ไม่มีนะมีแต่รู้จึกมันคัดมาอย่างดีแล้ว แต่ก็มาใช้หัวคิดอีนิ่งมันคืออะไรวะมาแต่คิดเด้อมาล่าล่าเนี่ยวะไม่รู้เรื่องมา ล, ะ ล, ะละ่าล่านะวะทำ ล, ะละ่าล่าฮิด ล, ะละ่าล่าอืมต้องใช้จังหวะแต่นี้ก็ไม่มีแล้ว รู้สึกตัวรู้สึกตัวภาษากลางๆถ้าภาษาบาลีตัวสติสัมปชัญญะภาษาไทยวรู้สึญญาากระนึกได้ภาษาหลัง่งอเวรเหรอเอวรเคยไปสอนหลัง่ง <c oughs> ใช่ไหมเอเรอวเอวร์เอเวาษาีนว่าไงาต้องสมหญิง สายกินว่าไงเมื่อวานก็มีญาติทำมันกินมาสิบคนนะนีะ่คนรับวาจาความรู้สึกก็คืออันเดียวกันได้ <c oughs> ว่าปฏิบัติเหมือนหลงเรากลับมาก็เหมือนหลังมือหลงคือหลังมือก็ไม่หลงมาหน้ามือนะปฏิบัติคือกลับปฏิคือกลับ มันผิดกับมันถูกกับมันสุขมันทุกข์กับปฏิบัติถ้ามันหลงไม่กลับให้รู้ไม่ใช่นักปฏิบัติแต่สิบปียี่สิปีสาสิปีก็ไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติคือเปลี่ยนเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เ ป, กเป็นไม่ทุกข์คือนักปฏิบัติอยู่ที่ไหนล่ะอยู่กับชีวิตของเราทั้งหมดไม่ใช่อ ย, อยู่ที่สุขโตโัว อู่กับเรามันหลงที่ไหนหมนดรถเมีหรือเปลี่ยนได้ปฏิบัติตนั่งรถกรุงเทพมันติดปฏิบั ต, บติมันจะเดินนะลอ ย, ยกนักธรรตรีก็มาลุสตัวมันจะคิดลายทอ้าลอยปฏิบั ต, บติเข้าห้องนา้าเห็นคูดเต็มห้องน้ําปฏิบัติทาให้ไม่ดีให้มันดีใช้ลองดูใช่เขียนลองดูเพียนลองดู ต้องไหนไม่ดีพยายามทำให้มดีด้วยมือของเรานั้นจะายถ้าเห็นอะไรไม่ดีจะไม่ทำทิ้งไปไม่ใช่ปฏิบัติถ้ามีนักปฏิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองจะเลินมีแต่คนทำดีทำไม่ดีให้มันดีน้อง น, งองนั่งไม่ต้องเขียนไปแล้วหนาทำความจาดแล้วสาวความจัดใม่ต้องเขียน มันที่เราคือทำไม่ไม่ดีให้มันสอดจริงไหนไม่ดีทำมันในหัวคิดเราทําให้มันชาอดให้มันดีหลงไม่ถูกต้องผมไม่หลงถูกต้องดีกว่าความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องดีกว่าความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธดีกว่าถูกต้องโดยสุดเรเลยในโลกนะไปไหนก็มีแบบนี้แหละไม่มีอื่น ความทุกข์ก็พันเดียวความโกรธก็พันเดียวความหลงก็พันเดียวไม่งอกไม่งามเ ม, มือนจบไปก็จบไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่เหมือนโลกไครไข้เจ็บไข้ห ว, วัดพันใหม่จังมีอยู่ <c oughs> อนโลกตัวเนี้ยรักษาได้เจ้านพุทธเจ้าวิโยนยูสี่แพง้งห้าแพง้งตะโกนเรียกอโลคยาปรมาราภา ผมไม่มีโลกเป็นลาบเป็นไปเสด็จคือโลกวันเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความรกความชองความสุขความทุกข์หมดไปเลยมีชีวิตล้วนๆแจกของส่วนตัวเกี่ยงเลี่ยงคนทั้งโลกก่บอกความเท็จความจริงต่กอกันความหลงไม่จริงคนไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงคนไม่ทุกข์มันจริงความโกรธไม่จริงคนไม่โกรธมันจริงบอกความจริงอันนี้ มันมีอยู่อันเท็จอันจริงในโลกนี่อันที่มันไม่จริงน่ะมันมีปัญหาอันที่มันจริงมันก็ไม่มีปัญหาชีวิตเราจะเป็นคนคนเดียวกันถ้าเรารู้จักตัวเปลี่ยนร่ายเป็นดีอันเดียวกันถ้ามันร่ายเราไม่เปลี่ยนคนละคนก็ไปแล้วยากเด้ว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะทํางาจึงจะเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละอัศจรรย์ ปฏิบัติธรรมนี้อชจริอชจริผู้ปฏิบัติรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนเห็นตามทุกวรแก่ผู้ปฏิบัติทําให้คนมากมายเป็นคนคนเดียวกันน่าเพราะอันเดียวกันแท้ชีวิตเราเนี่ยจึงเขียนไว้ที่นี้ไม่มีใครแปลกหน้ามิตรญาติเพงได้เห็นกัน เป็นเพื่อนเกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันไม่ต้องไปจงเกลียดจงชังอิจฉาเบียดเบียนกันมาช่วยกันเถอะยิ่งพวกเรามีลูกมีเมีย ม, มีเพื่อนมีมิตรยิ่งดีจะได้ช่วยกันเออตือเอื้อโลนเห็นมันหลงช่วยให้ไม่หลงช่วยกันให้เป็นเวลาคนนังหลงเห็นคนนังทุกข์ช่วยกันไม่ให้ทุกข์เห็นคนนังโกรธช่วยกันไม่ให้มันโกรธ เมียของเราหัวของเราลูกของเราพ่อแม่ของเราคนเราให้ช่วยกันมามามาช่วยกันเถอดเนี่ยถ้ามีลูกเนี่ยเต้าเห็นพ่อโกรธก็เมียก็บอกว่าลูกๆบัมาช่วยกันพ่อโกรธแล้วพ่อโกรธแล้วทำไงพ่อจึงจะหายโกรธมาช่วยกันร้องลุมช่วยกันนราเจอเรื่องอะไรพ่อยังโกรธเหรอพูดไปพูดมโอ้เรื่องโอ้ยขอโทษขอโทษ ขอโทษกอบลองฉันไม่รู้ขอโทษขอโทษดีง่ายถ้าริมีใครบ้างทำแบบนี้นี่บ้างไหมถ้าเป็นครอบครัวกันปะบอแลนาต่อกันเอาละเราเนะี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วจะทุกข์จะจนจะบั่งจะมีพราเราสองคนจะสุขจะทุกข์อครชีวิตเราสองคน จะทำแหวนเออผิดก็บอกกันด้วยนะถ้าถูกก็บอกกันด้วยเวลาบอกเวลาสอนจะไม่ต้องโกรธกันนะบอกกันได้นะสัญญากันอยา่าโกรธอย่าเครื่องนะให้ปรวบรณา่าต่อกันสัญญากันเรายวหย่ า, ยาตลอดชีวิตวมาลรั ก, ก็เดียวย่ามีเท่านี้ไม่มีอีกแล้วสั ญ, ญญาดีๆลงสนทิสั ญ, ญญาในหัวใจ เห็นคนหนึ่งทุกก็ช่วยกันเห็นคนดองโกรธก็ช่วยกันเห็นดงหลงก็ช่วยกันยิ่งมีคําสอนเอาพลิกเบือหรือชีนองไม่หลับฉันนอนไม่หลั บ, นนลบทําไมน้องไม่หลับหรอกเพราะนอนหลับไม่คิดของรูกของเต้าเหรอมุ ก, กสามีขึ้นมาโอ้คิดถึงลูกก็นอนให้หลับ ฉันนอนไม่หลับเนี่ยลูกคนน้อก็อยู่เทพลูกคนนั้นก็อยู่เชียงใหม่ก็นอนมันหลับทําไมฉังจะนอนหลับถ้าชิดถึงโลกความิดมันไม่ใช่ชิดแล้วนอนไม่หลับก็สุขภาพไม่ดีเจ็บแข่ได้ป่วยเดี๋ยวกูยากกับลูกกับเต้าอย่างหลาถ้านอนั้นมันหลับสิคิดถึงโลกรักลูกรักเต้าก็ทําให้สบายอยต้องได้เจ็บแข่ได้ป่วย ฉันนอนไม่หลับฉันนอนไม่หลับสามีก็เอามือตะแคงไว้นอนตะแคงข้างซ้ายข้างขวาอีกมือขึ้นดูให้ลู้อย่างนี่นะอีกมือลู่อย่างี้นั่นมันก็ยังมาหยุดมันคิดไปหนะนั่นแหละมันคิดแต่เรื่กลับมาสอนเหนียในห้องนอนนะกลัมมากลรมมาลู่เนี่ยมคิดไปกลับมา พิกไปพิกไปพิกไปเห็นตะโกนโสตอดสับแล้วมันหลับนะไอรืมันคิดเราไม่ลู้จะเปลี่ยนให้รู้อะไรมีนิมิตมีเครื่องหมายอืมก็ะดิกนิ่วก็ได้ห้ยใจก็ได้ถ้าเราเจียงนะทีแ้กก็ต้องอาเจย์หยามๆอาเจย์หยามๆหรือนอนเอามือวางไว้หน้าท้องพิกมือหรือก็ะด็กนิ่วด้วยมันคิดไปก็มา ด้ว่ากรรมมาฐานมีที่ตั้งมีการกระทำให้มันติดทามันคุ้นเคยสอนมันเหมือนเชือกเอาหดวัวหาัดควายเชือกดึงมาสตินี่เป็นคลายเหมือนเชือกรูปเึ ก, กตัวถ้ามันคชิดก็กำมาตะมง่วงก็กำมาตะงแรงยืดขอขึ้นตอนทีก็อนอกรูปแบบอกรูปแบบ ีก <es session> ่สยกมือเครื่องสูงอ๋อเจียบเขาเหยียงมาดรงๆยกเครือยกมือสลู่สุดเนอกรูปแบบให้บังคายอ่ทานลูอมาไม่ใช่พอง่วงปบปับปัต้องปืบปับป เอางื่วงรับตาปีอปาปรกขาไม่อาไม่เอาเลยปิด <Okay. S 1> <laughs> ปากไว้ให้มันลมโอ้หูออเบง ข, ขึ้นมาให้มันรู้ทึกตัวเนะนั่นแหละโอกาสดีนะาทีทองนาทีทองเลยแจ้ความผิดจะได้แก้ให้มันถูกความทุกจะได้แก้ไหมทุก อังโกรจะได้ใช่ไหมโกรให้รู้สึกตัวมันจะเจ๋งกันไวเจ๋งแล้ว น, นี่ฝึกจากเนี่ยไว้ใช่ไปอ้อนวอนให้ก็ให้ถึงมรรคในพันะนะนวัตการเบื้องหน้านอ น, น, นอนเทินโน่นเท่าไรผี่พวกผีชาติเดี๋ยวนี่ไม่ได้เลย <laughs> ใจดีเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยใจดใจีเดี๋ยวนี้่ใจเย็นเดี๋ยวเนี่ไม่ได้เลย ใจดีก็มีสวรรค์แล้วกินได้นอนหรอกใจเย็นก็มีนิพพานแล้วใจละอยู่นี่อ้อนวอนเท่าไรก็ไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ใจแท้ๆมโนปพังขมาธรรมามโนเสถามโนยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จจุดที่ใจใจมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้มันไปนอนไปนีน นั่งยู่คิดไปข้างหน้านั่งอยู่นี่คิดไปข้างหลังนอนอยู่ไปไปทางหน้าไปทางหลังเดี้ให้มีกรรมฐานตั้งไว้ตั้งไว้ให้อยู่เป็นปัจจุบันปัจจุบันคือจริงจริงเปลี่ยนได้จริงจริงใจดีเดี๋ยวนี้ใจเย็นเดี๋ยวนี้ใจดีเดี๋ยวนี้ใจเย็นเดี๋ยวนี้ทําได้ไม่มีใครมาแย่งปัจจุบันเราไปได้ อันอื่นยังแย้งได้อันชีวิตจริงๆแย่งม่ได้เดี๋ยวมีสิทธิ์ส่วนตัวมันหลงเรามีสิทธิ์ไม่หลงมันโกรธเราไม่สิทธิ์ไม่โกรธมันทุกข์เราไม่สิทธิ์ไม่ทุกข์นี่คสิทธิ์ที่ของเราล้นเพ้อเชนะเจ้าบจิตโฉทําได้ทุกคนจิตของเราประเสริฐตรงนี้นะมานุษ์ประเสริฐตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนไร่เป็นดีไม่ใช่มนุษตก อาจจะเร็วล่ากสัตนะว์นะหัวนูดนี่เหมือนตกนรกนะก็คนนี่มันตกนรกนะอาบายนะว่ามีสมองโอ้สัตว์ตัวที่ฉันมันไม่มีนรกสวรรค์หรอกคนเรามีนรกมีสวรรค์มันถ้าไม่ฝึกอ่ถ้าคนอนะ่ะถ้าหลงเป็นหลงไปทางต่ำก็ทุกเป็นทุกไปทางต่ำมีโอกาส ส่วนอบายได้ถ้าหลงให้มรูปไปทางสูงเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์นิพพานนะอันแยกตัวนีน้ถ้าหลงเป็นหลงไปทางต่ำเรื่องขนไปทางตกน่ลกเท่ากับขนโคถ้าหลงเป็นรูปไปทางสูงตกต่ลกเท่ากับเขาโค่ถ้าตกต่างน้อยที่สุดละถ้าไม่เปลี่ยนก็ตกน่ลกเท่ากับขนโค่มากมันอยู่ตรงนี้นสี่แพ่งจะไปทางไหนเรา มันหลงเปลี่ยนหลงไม่หลงนะไปแล้วไปทางสูงสงงูงถ้าหลงเป็นหลงถ้าทุกข์เป็นทุกข์ไปทางตรำอย่างนี้นะสมคงขวรเจ้เวลากาบผาพ้องกัน